ต่อไปนี้ตั้งใจสมาทานศีลก่อนที่จะสมาทานศีลหลวงพ่อจะอธิบายเรื่องศีลให้ฟังแต่พวกเราท่านทั้งหลายก็คิดว่าคงจะมีครูบาอาจารย์อธิบายให้ฟังแต่ครั้งนี้เป็นคําอธิบายของหลวงพ่ออีกทีหนึง่ง ก่อนที่จะรับศินเราจะต้องรู้เรื่องของศินว่ามีคุณค่าอย่างไรศินเป็นหน้าที่ของใครจะต้องรักษาเพราะนั้นควรจะพวกเราควรจะรู้เรื่องของศินแล้วก่อนที่จะถวายทานอย่างอื่นเราก็ควรจะรักษาสินให้บริสุทธิ์ซะก่อนเหมือนกับเราจะรับ ของที่มีคุณค่าเราก็ควรจะล้างภาชนะให้สะอาดเสียก่อนแล้วจึงค่อยรับของที่มีคุณค่าเพชรนิลกินดาใส่ผานใส่จานของเราที่ล้างสะอาดดีแล้วเพราะนั้นเรื่องศินที่จะให้ไปนี้ก็คือสินห้าสำหรับ พวกเราท่านทั้งหลายศินห้าคือกินคือศินของครวญศีลสิบสินสมมเนนสินสองร้ี่สิบเป็นศิลของพระพระพุทธเจ้าบัญญัติสินห้าสำหรับอุบาสกอุบาสิกาคือโยมผู้หญิงโยมผู้ชายที่จะรักษาศินห้าเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ตรวจตาดูว่าเราเป็นอุบาสกอุบาสิกา ของพระพุทธเจ้าสมบูรณ์หรือยังถ้ายังไม่สมบูรณ์ก็พยายามทำให้สมบูรณ์ขึ้นเหมือนกับพระพระรักษาสินสองร้ี่สิบครบบริบูรณ์หรือยังถ้ายังก็จะได้ว่าแสดงว่าขาดสินของตนเองสมณเณรก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นพวกเราควรจะรักษาสินห้า ก่อนที่จะรักษาสินห้าหลวงพ่อจะเป็นผู้นํากล่าวว่าน้โมสามจบน้บโมน้โมสามจบ ก, ก็คือข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจากนั้นก็กล่าวพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งธรรมังสังขัง ดูตียามปีฆ่าพรเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สองตัติยามปีฆ่าพรเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่3พวกเรายืนยันถึง3ครั้งยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่งจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์ศิลปาณาติปาตาเว ร, รมณีสิกขาปัทังสมาติยามิฆ่าพรเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เราไปฆ่าเขาเขาก็เสียอกเสียใจถ้าเราเขามาฆ่าเราฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าพ่อฆ่าแม่ของเราเราก็เสียใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมัญญัดศินข้อที่หนึ่งสำหรับให้สาวกของพระพุทธเจ้าคืออุบาสกอุบาสิกาไม่ให้ฆ่าตัดตัดชีวิตไปทำให้เขาเขาก็เสียใจเมื่อเราเขามาทำให้เราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นอย่าทำกัน อย่าฆ่ากันศีลข้อที่สองอธินนาทานการขโมยของเขาเขาก็เสียใจเขามาขโมยของเราเราก็เสียใจเพราะนั้นอย่าไปขโมยของคนอื่นเขาข้อที่สามการเมสุมิชฌาจารจาราวรมณีเราไปทำให้แก่ลูกแก่หลานของเขาสามีปัญญาของเขา เขาก็เสีย อ, อกเสียใจเรามาเขามาทำให้แกเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันข้อที่สมุสาไม่ให้โกหกเราโกหกเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาโกหกเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันข้อที่ห้าสุราเมระยะมชัปปะมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ถ้าคนดื่มสุราเข้าไปแล้วแบบผู้เปรี้ยผู้ประมาทไม่รักษาตัวไม่รักษาลูกเมียไม่รักษาทรัพย์สมบัติเป็นผู้ประมาทสามารถที่ทจะที่จะทำความชั่วได้ทุกอย่างคนเมาแล้วขาดสติเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้บัญญัติสีนข้อที่5ไม่ให้ดื่มสุรา สี่ข้อที่5ที่เราที่พวกเรามองว่าก็ไม่เห็นกับจำเป็นอะไรแต่ตามไม่จริงสี่ข้อที่5นี่มันเกี่ยวเนื่องไปถึงข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ด้วยเพราะว่าคนขาดสติมันเกี่ยวเนื่องกันถ้าหาว่าอยากจะฆ่าคนหรืออยากจะฆ่าสัตว์ดื่มสุราเข้าไปมันขาดสติคล้ายๆกับว่ามึนเมาแล้วก็ทําได้ อธทินนาธานก็เหมือนกันคนขาดสติกาเมก็เหมือนกันมุสาไม่ต้องพูดถึงคนดื่มสุราโกหกได้ดีเพราะนั้นศีลของพระพุทธเจ้าสำหรับพวกเราถ้าว่าใครรักษาดีแล้วปิดอาวาัยภูมิไม่ตกนรกมีจะไปสู่สวรรค์เพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านถ้าว่าอยู่เป็นมนุษย์ อยู่ก็จะมีมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขการอยู่้วยการมีแต่ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเพราะทุกคนมีศีลห้าแต่ถ้าว่าพวกเราขาดศีลมากๆมีแต่ละแวงแคลงใจกันไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะนั้นควรศีลห้าเนี่ยสมควรอย่างยิ่ง่งพวกเราทุกๆท่านควรจะรักษาถ้าว่าพวกเรามีศีลห้าโลกทั้งโลกจะมีความร่มเย็นเป็นสุข ต้อนหน้ากันต่อห น, นี้ไปสมทานศีลนะ <c oughs> โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะเตเสทุขธรร ม, มังอะนุกัมปิมังปะชางขณะที่หลวงพ่อกำลังเทศกำลังพูด ขอไม่ให้ถ่ายภาพที่มีแฝะถ้าว่าถ่ายภาพเข้าไปรู้สึกแฝดเข้าตาแล้วมันเป๋ไปเลยท่า น, นแต่ก่อนอื่นหลวงพ่อขอแนะนําตัวเพราะศรัทธาญาติโยมทุกๆ ท, ท่านที่มานั่งฟังในขณะนี้พวกเราคงจะไม่เคยเห็นหลวงพ่อคงจะน้อยท่านมากที่จะเห็นหลวงพ่อ หลวงพ่อเองก็ถ้าจะว่าไปเหมือนกับพระลึกลับองค์หนึ่งเหมือนกันไม่ได้ค่อยจะเข้ามาอยู่เข้ามาสู่ชุมชนสังคมโดยมากก็อยู่ทางอีสานเหนือแถบจังหวัดหนองคายอุดร อ, อยู่ในปานตรงพงไพ่ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานีร้อยกว่ากิโลเพราะนั้นถ้าหากไม่จไม่ตั้งใจไปจริงๆ ก็คงจะไปไม่ถึงเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้ขึ้นมาทำมาศนานๆหลวงพ่อจะได้มาอย่างนี้ตามปกติหลวงพ่อเองนับครั้งได้ไม่เคยจะเป็นองค์แสดงธรรมโดยมากทางครูบาอาจารย์ทางนู้นก็มีแต่ครูบาอาจารย์พระเถระผู้ใหญ่โดยมากหลวงพ่อก็ไม่ค่อยได้ออกสู่สังคมมากเท่าไหร่ แต่ในครั้งนี้ครูบาอาจารย์ทางนี้ขอนิมนน์ไปแต่หลวงพ่อก็คิดอยู่แล้วว่าหลวงปู่ของเราที่เป็นที่รักเคารพนับถือกิตติศักดิ์ของท่านชื่อเสียงของท่านโด่งดังหลวงพ่อจะมากราบท่านอยู่แล้วแต่ช่วงที่ท่านมรณภาพใหม่หลวงพ่อก็ติดธุระมาไม่ได้แต่พอมาถึงครั้งนี้ก็ได้มากราบคารวะศพ องหลงปูพร้อมกันก็นี่คู่บ้าจานท่านก็นี่นิมนต์หลวงพ่อขึ้นมาทำมาศอย่างนี้แหละแต่หลวงพ่อข อ, ขอแนะนำตัวหลวงพ่อเป็นพระอยู่ในป่าดงพงไัยสมัยก่อนหลวงพ่อเป็นสมณี น, นขององค์หลงปูล่าวัดภูเจาก็ บวชปี 2,500 เป็นสมณีนแต่ในสมัยนั้นหลวงปู่ของเราหลวงปู่สมชายของเราเนี่แล้วว่าเจ้าคุณวิสุทธิวิสุทธิยานเทราเนี่ยพูดยากเอาหลวงปู่สมชายกันแล้วกันนะพอหลวงพ่อเรียกชื่อองค์ท่านหลวงปู่สมชายมาตลอดเพราะท่านเคยไปอยู่ทางจังหวัดจังหวัดนครพนมอำเภอมุกนาะ อ, อำเภอคำชะอีแต่ตะกอนยังไม่เป็นจังหวัดมุกดาหารนะเป็นจังหวัดนครพนมหลวงปู่สมชายเคยไปอยู่แถบคำชอีบ้านโพกกลางบ้านอยู่ภูกเก้าแถวๆนั้นแหละหลวงพ่อเองก็เป็นลูกเป็นลูกศิษย์เเป็นเนนขององค์หลวงปู่ล่าอยู่กับองค์หลวงปู่ล่าบวชปี2500หลวงปู่สมชายท่านก็ได้ไปแถบๆนั้นนะท่านก็มีลูกศิษย์นะ ลูกศิษย์บ้านโคกกลางก็เป็นที่รู้จักกันดีอยู่นอันนี้ก็คือรู้จักหลวงปู่มาตั้งแต่เป็นสมณีนจากนั้นก็ได้เป็นพระพอเป็นพระจะได้ที่หลวงพ่อออกจากถิ่นนั้นขึ้นไปจำพรรษากับหลวงปู่แหวนบ้างมาอยู่ก็องค์หลวงตามหาบัว จากนั้นออกไปอยู่วัดป่านาคำน้อยอาเภอนายูงเป็นเวลา20กว่าปีไปอยู่ที่นั่นอยู่ในป่าดงพงไพ่อันนี้ก็คือประวัติสังเขปของหลวงพ่อนะเพราะนั้นวันนี้ก็ได้มามาพูดให้คณะสัตยาญาติโยมฟังตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเริ่มพิธี <c oughs> ในการแสดงธรรม นะโมตัสสะภควะโตอรหะมะรนังเมภาวิสติตีนับบัดนี้อาตมาจะได้แสดงธรรมเพื่อประดับสติปัญญาผวงของพวกคณะศรัท ธ, ธาทั้งหลายการบำเพ็ญกุศลตั้งแต่องค์ท่าน หลวงปู่มรณะภาพมาก็ทราบว่าได้บำเพ็ญทุกวันไม่ได้ขาดตามให่จริงก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะพวกเราในฐานะลูกหลานที่รักเคารพหลวงปู่ด้วยจิต ด, ด้วยใจถ้าจะว่าไปแล้วท่านเหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่านเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งครูบาอาจารย์เมื่อท่านได้จากไปเหมือนกับต้นโพต้นไซได้โคนล้มลงไปเพราะนั้นพวกเราที่อยู่เบื้องหลังก็ไม่รู้จะทำยังไงก็มีการนิมนต์ครูบาอาจารย์ทำบุญถวายองค์ท่านแต่อาตมาภาพเองมั่นใจ ว่าองค์หลวงปู่ของเราท่านคงจะจุตินิ่ล้ผานไปแล้วอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวแต่จะเป็นเรื่องอย่างไรนั้นกระสุดแท้แต่น า, นานาจิตตังแต่หลวงพ่อเองคิดว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาเป็นเวลานมนานท่านคงจะถึงจุดจบของท่านเพราะนั้นพวกเราที่อยู่เบื้องหลังถ้าหากว่าท่าน พ้นทุกไปแล้วพวกเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลบุญกุศลก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราแต่ถ้าหากว่าท่านยังไม่พ้นทุกท่านก็คงจะภูมิอบภูมิใจกับพวกเราที่เป็นลูกหลานได้บำเพ็ญกุศลมีความพร้อมเพียงสามัคคีได้บำเพ็ญกุศลพร้อมๆกันเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้มาทาบุญกระองหลวงปู่ทุกครั้ง ก็ถึงยังไงก็ถวายกุศลถวายอุทิศส่วนกุศลถึงองค์ท่านถึงท่านจะได้รับหรือไม่ได้รับก็เป็นหน้าที่ของพวกเราแสดงถึงจิตใจของพวกเราที่รักเคารพ บ, บูชาขององค์ท่านเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่มาร่วมทุกครั้งก็ให้มาด้วยจิต ด, ด้วยใจเพราะองค์หลวงปู่ ท่านได้มีเมตตาแนะนําสั่งสอนพวกเราให้เป็นคู่เป็นคนขึ้นมาได้ก็เพราะธรรมเทศนาของท่านแนะนําอบรมสั่งสอนพวกเราเพราะนั้นบุญคนที่พวกเราที่จะตอบแทนพระคุณของท่านนั้นที่องค์ท่านได้เมตตาสั่งสอนพวกเรานั้นเป็นมหากรุกรณาธิคุณอันยิ่งใหญ่พวกเราจะแสดง ตอบพระคุณของท่านนั้นกระตันยูกตะเวทิตานั้นควรจะแสดงมากน้อยแค่ไหนหลวงพ่อเคยปรารภสมัยไปงานศพครูบาอาจารย์ต่างๆถ้าหากว่าท่านผู้ใดอยู่ทางไกลที่รับเคารพองหลวงปู่ได้รับธรรมะของหลวงปู่พวกเราที่อยู่ไกลไม่สามารถที่จะมาดูแลหรือว่าปฏิบัติท่านได้ทุกวี่ทุกวันพวกเรามีทุนทนัพย์ ก็ควรจะส่งทุนทรัพย์เข้ามาช่วยเพราะงานนี้เป็นงานที่จะต้องได้ใช้ทุนทรัพย์พอสมควรเพราะคนเกี่ยวกับคนหมู่มากแต่ถ้าหากว่าผู้อยู่ใกล้พอจะส่งอาหารอะไรเข้ามาสู่รวงครัวก็ส่งเข้ามาถ้าหากว่าท่านผู้ใดที่อยู่ใกล้ชิดพอที่จะดูแลได้ก็ช่วยตั้งรวงครัวบ้าง ทำความสะอาดปัดกวาดดูแลแข่คนที่มาเกี่ยวข้องตลอดพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พระที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็ช่วยกันดูแลคณะสัาาตยาิโยมครูบาอาจารย์ที่มาเกี่ยวข้องถือว่าหลวงปู่ของเราก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องตน้นถือว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณอย่างมากสำหรับพวกเรา พวกเราในฐานะลูกหลานเมื่อท่านล่วงรับไปแล้วควรจะแสดงความกตัญญูกตวีที่ตายอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องแสดงออกแสดงออกด้วยน้ําจิตน้ําใจจริงๆเรื่องการที่จะมีการทะเลาะเบาแวงกันหรือว่าการที่ไม่เข้าใจกันไม่ควรจะให้มีที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้น ก็ไม่ใช่ว่าพวกเราทะเลาะ ก, กันไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้หลวงพ่อไปที่ไหนหลวงพ่อความสมัครคีกันนี่หละจะไปเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าความไม่เข้าใจกันเมื่อไรเมื่อนั้นมีแต่ความเป็นทุกข์ถึงงานหลวงปู่จะผ่านไปแล้วแต่พวกเราก็ยังอยู่ในจิตใจพราะนั้นอย่าให้เป็นอย่างนั้นหลวงพ่อมั่นใจว่าถ้าว่าการอยู่ด้วยกันถ้าอยู่คนเดียวก็ยังมีการหงุดหดงิดในใจ ถ้ามีสองคนอาจจะมีการทะเลาะไม่เข้าใจกันถ้าเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแล้วคงจะมีอยู่บ้างแต่ถึงยังไงการมาทำบุญทุกครั้งเราไม่ได้ทามาไม่ได้มาทำเพื่อใครทำมาเพื่อลวงปู่ของพวกเราเพราะนั้นอย่าไปมุ่งหวังอย่างอื่นถึงจะผิดใจบ้างไม่ผิดใจบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างไรก็ตามก็ให้ทำเพื่อลวงปู่ของเรา พ่อหลวงปู่ของเราเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งอันนี้ก็ขอเตือนให้พวกเราทุกๆท่านนะที่เป็นคณะศัทธาญาติโยมตลอดถึงครูบาอาจารย์พระลูกพระหลานทั้งหมดนั่นแหล ะ, ะขอให้พร้อมเพียงสมัครีจัดงานหลวงปู่ให้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยราบรื่นคนที่อื่นถิ่นไกลเขาเข้ามามาเห็นก็เอองานของหลวงปู่สมชาย ไปเห็นแล้วก็หน้าปรื่มปีติกินดีอย่างหลวงพ่อมาเห็นวันนี้นะมาเห็นวันนี้ก็หน้าปลื้มใจเห็นพวกเราท่านทางหลายไม่เคยเห็นที่จะจัดงานศพของครูบาอาจารย์องค์ไหนที่จะทำได้ดีอย่างนี้อันนี้เห็นแล้วก็ภาคภูมิใจอย่างมากเห็นแล้วก็ถึงทาได้ดีทำได้เสร็จสวยงดงามสมเกียรติสัต ก, กับ เกียรติศักดิ์เกียรติคุณขององค์หลวงปู่นะเพราะฉะนั้นการสร้างกุศลใดๆก็ตามไม่ได้ทําให้แก่ใครไม่ได้ทําให้แก่ท่านนะทําให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายต้องการบุญต้องการกุศลก็เนี่ยแหละเหือวันนี้ก็มาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลการสร้างบุญสร้างกุศลนั้นไม่ได้ทําให้แก่ใครทําให้แก่พวกเราพวกเราท่านทั้งหลาย ถามว่ามาทำวันนี้ก็ทําเข้าสู่จิตใจของพวกเราถามว่าพวกเราไม่ได้ไม่ได้ทำนะบุญกุศลมันก็ไม่เกิดบุญบาปอยู่ที่ใจของเราถ้าเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็หลั่งไหลเข้าสู่ใจของเราถ้าเราทํากรรมดีกรรมดีคือบุญกุศลก็สู่ใจของเราใจของเราอันนี้เป็นเป็นผู้รับบุญเป็นผู้รับบาปถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือน เป็นคลังของบุญเป็นคลังของบาปอย่างนั้นน่ะเพราะนั้นให้พวกเราท่านทัน้งหลายควรจะสะ่งแสวงบุญเข้าสู่จิตใจเพราะว่าชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่แนอนอย่างที่โดยหลวงพ่อระยกภาสิทธิขึ้นเบื้องต้นว่ามารณงเมภาวิสติความหมายความแปลก็ว่าชีวิตพวกเรา มรังไปว่าความตายเมไปว่าข้าประวิสติข้าจะต้องตายข้าจะต้องตายแน่ๆฮะไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้ข้าจะต้องตายแน่ๆถ้าจะว่าไปถ้าจะพูดให้จำคำง่ายๆก็ว่าต่อๆๆนะต่อๆๆนะไปว่าให้เตรียมตัวตายเอาไว้เราจะต้องตายแน่ๆอ่ะ ไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เกิดมาแล้วการที่จะตายเนี่ยทําไมพระพุทธเจ้าจึงให้ระลึกถึงความตายเพราะว่าการระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอจะเป็นผู้ไม่ประมาทถ้ามรณะภัยเข้ามาถึงเราจะไม่กลัวจะไม่หวาดหวัน่นเพราะเราได้คิดไว้แล้ว ถ้าคนไม่เคยคิดถึงความตายถ้าได้ยินว่าตัวเองจะต้องจากโลกนี้ไปจิตใจจะว้าเวจิตใจจะมีทุกข์มากแต่ถ้าว่าเราคิดไปอยู่เสมอว่าข้าเนี่จะต้องตายแน่ๆอายุของข้าเนี่มากขึ้นมาแล้วขนาดนี้จะอยู่นานสักเท่าไหร่ในเมื่อเราลึกถึงความตายเมื่อเร ล, ล, ลึกถึงความตายก็เป็นผู้เตรียมพร้อมก่อนที่จะตายควรจะทำอะไร ควรจะสร Side ้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เพราะตายแล้วไม่สูญตายแล้วไม่สูญพระพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้แล้วถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นจรณะเป็นที่พึ่งเราก็ต้องศึกษาศึกษาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนยังไงพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้ท่านตรัสรู้อะไร ในวันเดือนหกเผ่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมปุกเพในวาสานุสติญาณเน่ตอนหัวคำ่ำท่านนั่งขัดสมาธิทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจนจิตพระองค์เข้าสู่ความสงบเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วเกิดยาณทัศสน ะ, ะและลึกชาติผลหลังได้ปุกเพในวาสานุสติญาณถ้าหากว่าเกิด ตายแล้วศ no ูนย์พระพุทธองค์จะระลึกชาติได้ยังไงตายแล้วศูนย์ไปแล้วเกิดมาชาตินี้ก็ตายแล้วก็ศูนอันนี้ไม่ศูนย์พระพุทธเจ้าระลึกชาติผลหลังได้ไม่ใช่ชาติเดียวเออเหมือนกับเมื่อวานได้มีไหมวันก่อนมีไหมอาทิตย์ที่แล้วมีไหมเดือนที่แล้วมีไหมปีที่แล้วมีไหมเราเกิดมากี่ปีอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าระลึกชาติผลหลังได้อย่างงั้นละเ่อเพราะมียานัทัศนะเป็นความรู้พิเศษระลึกชาติผลหลังได้ ท่ น, นี้พอถึงเที่ยงคืนพระพุทธองค์ทำจิตให้สงบสละเอียดลงไปอีกจุตูปะปาตยานการจุติของสัตว์คนปิญญาณมาที่นี่มาจากที่ไหนมาเกิดที่นี่ออกจากที่นี่แล้วจะไปที่ไหนอันนี้พระพุทธองค์ก็อย่างรู้อีกอันนี้ว่าจตูปปาปาตยานก็เป็นอันว่าคนเราตายแล้วไม่สูญ สรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดแล้วตายแล้วไม่สูญสิ่งแท้เกิดมีพอจวนสว่างพระพุทธองค์ตัดสุอาสาวัคยายานยานยังรู้ว่าพระพุทธองค์หมดกิเลสแล้วไม่มีราคะโทสะโมหะแล้วพระพุทธองค์บำเพ็ญมักแปลสมาธิฐคือสินสมาธิปัญญา เข้าสู่จิตใจของพระ อ, องค์คล้ายๆว่าใช้ศีลสมาธิปัญญาเป็นตปะธรรมเผาจิตใจของพระ อ, องค์ตัววิชาตัวกิเลสราคะโทสะโมหะหมดไปจากจิตใจของพระ อ, องค์สรุปแล้วคือใจพระ อ, องค์หมดเชื้อหมดเชื้อที่จะทําให้เกิดอีกเหมือนกับมเมล็ดพืชพันธุ์อะไรก็ตามถ้าเราเอามานนึ่งซะเอามาเผาไฟซะ มันก็หมดเชื้อพอหมดเชื้อแล้วมันก็ไม่เกิดอีกเอาไปปลูกที่ไหนมันก็ไม่เกิดอีกนี่พระพุทธองค์ทำให้หมดเชื้อหมดเชื้อคือกิเลสราคะโทสะโมหะหมดออกจา ก, กจิตใจของพระองค์พระองค์รู้ด้วยพระองค์เองว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราไม่เกิดอีกแล้วอันนี้ก็คืออาสาวัคยญาญายานอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์หมดกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะ ท่านจะว่านิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรามังศูนอย่างนิพพานศูนแต่พวกเราเข้าใจว่านิพพานศูนย์ศูนจนไม่มีอะไรเหลือแต่ตามไม่จริงศูนเชื้อเชื้อเขามันศูนไม่มีที่จะมาเกิดอีกส่วนนิพพานังปรามังสุขขังนั้นเมื่อไม่มีเชื้อไม่มีสิ่งที่มากวนจิตใจจิตใจอันบริสุทธิ์ นั่นแหละเป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ธรรมและก็ความเป็นมาของพระองค์ตั้งแต่ปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปคิดว่าหน้าตายแล้วศูนย์นะถ้าเผื่อมันไม่ศูนย์ล่ะถ้าเผื่อมันไม่ศูนย์พวกเราจะทำยั ง, ยงไงถ้าเมื่อเมื่อมันไม่ศูนย์ถ้าเราไม่ได้เตรียมพร้อมมันก็ลําบากนะ ตกทุกได้ยากนะ เ, ออเดี๋ยวนี้ถ้าจะว่าไปแล้วเหมือนกับเรารอวีซ่าอยู่นะ่ะที่พวกเราจะเดินทางไปต่างประเทศคนเกิดมาทุกคนพอเกิดปุ๊บมาก็รอวีซ่าแหละถ้าวีซ่ามาถึงเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราจะได้เดินทางไปต่างประเทศแต่ถ้าหากว่าวีซ่ามาถึงแล้วเราจะได้ไปต่างประเทศแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวเราไม่เตรียมเราไม่เตรียมพร้อม ในขณะนั้นเราจะมีความทุกข์นะเ ม, เมื่อคนไม่เตรียมพร้อมเหมือนกับเราจะเดินทางไปต่างประเทศเราไม่ได้เตรียมเงินเตรียมทองเอาไว้ที่จะไปใช้ต่างประเทศอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าพวกเราไม่ได้เตรียมสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจมีแต่สแสวงหาสิ่งภายนอกเลี้ยงชีพเป็นวันวันหาข้าวน้ำโภชนาอาหารหาเงินหาทอง เราไม่ได้สองแสวงหาอาหารทางด้านจิตใจไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้เราแต่มีแต่เลี้ยงเลี้ยงร่างกายของเราเป็นวันๆพอถึงจุดจบแต่ใจของเรามันไม่ศูนย์ในเมื่อมันไม่ศูญแล้วเมื่อตายไปแล้วใจตรงนั้นจะต้องไปปฏิสนธิไปเกิดหาที่เกิดใหม่อีกถ้าเมื่อไปหาที่เกิดใหม่ถ้าเราไม่ได้สร้างสั่งสมบุญกุศลเอาไว้ พวกเราจะลำบากไม่รู้จะไปเกิดเป็นสัตว์ทิรไรฉันหรือจะไปตกนรกหรือจะไปเป็นเปรตเพราะเราไม่ได้สั่งสมบุญเข้าสู่จิตใจเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาภิกษุสั ม, มเนนควรจะสำนึกสำเนียดเอาไว้ในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ถึงยังไงพวกเราจะต้องเดินทางแน่นอนไม่ต้องสงสัยอย่าไปสงสัยเลยต้องเดินทางแน่ๆไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งเพราะฉะนั้นควรจะเตรียมตัวเอาไว้ร่างกายนี้แตกตายแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นแต่ส่วนจิตใจนั้นเมื่อออกจากร่างแล้วจะต้องไปปฏิสนธิไปเกิดอีกแต่ส่วนร่างกายนี้เอาเข้าเมนก็เผาออกไปก็เป็นกระดูกเท่านั้นเอง เอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างทรัพย์สมบัติพัชฐานเงินเดือนชานบ้านช่องเอาไปด้วยไม่ได้ทั้งนั้นทิ้งไว้ในโลกทั้งหมดแต่ส่วนจิตใจนั้นเอาบุญเท่านั้นอะไปด้วยเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายก่อนหลับก่อนนอนควรจะไหว้พระสวดมนต์สะกก่อนนั่นแหละเป็นผลดีเรื่อง ตายแล้วเกิดได้ตายแล้วศูนย์เนี่ยถ้าว่าพวกเราไม่ได้คิดนะพวกเราไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้นะคนคิดว่าตายแล้วศูนย์จะเป็นผู้มักประมาทจะไปจะไม่สั่งสมขุณงามความดีแต่ถ้าว่าไม่กล้าลงทุนอะไรทั้งหมดอยู่ไปเป็นวันๆแต่รู้ว่าตัวเองจะต้องเกิดอีกนั่นนะควรจะเตรียมพร้อมเอาไว้นะพระในครั้งพระพุทธเจ้ามีหลายๆอย่างถ้าพวกเราได้ศึกษา ในพระไตรปิฎกนะที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้อย่างพระภิกษุนี่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นเลนก็มีนะในครั้งพระพุทธเจ้าตายแล้วไปเกิดเป็นเลนเป็นเลนเป็นไรเนะี่ยตัวเล็กๆหนะ่อยแหมทไมจึงไปเกิดเป็นอย่างนั้นได้มันเป็นไปได้ทุกอย่างเพราะกรรมคือการกระทำนะ่ะพาให้เป็นไปก่อนที่เราจะตายไปเนะ่ยเราคิดห่วงอะไรในเมื่อห่วงอะไรใจของเราก็ไปเกาะ ไปติดอยู่ในจุดนั้นอย า, ากจะยกตัวอย่างให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นเครื่องประกอบในการที่ว่าตายแล้วไม่สูงตายแล้วเกิดอีกพระพุทธเจ้าท่านตัดอย่างไรท่านพูดอย่างไรในครั้งพระพุทธเจ้ามีพระองค์หนึ่งไปเที่ยวในป่าออกธูดงจากนั้นท่านก็ได้ผ้าผ้าที่จะตัดกีวรเ น, นี่ยนะ ได้มาก็มาฝากพี่สาวเอาไว้บอกว่าถ้าหากว่าอาตามาต้องการจะมาะลักจากพี่สาวทําจีบอลจากนั้นท่านก็เที่ยวทุดงไปจีบอลท่านก็ชํารดขาดท่านก็มาหาพี่สาวถามว่าพี่สาวมีไมเนีย่ยจีบอนยังเก็บผ้ายังเก็บไว้ไหมผ้าก็เก็บไว้อยู่ท่านก็มอบให้น้องชายน้องชายได้ผ้าพักนั้นแล้วก็เขามาหาพระเถระที่เป็นผู้ใหญ่ ในคณะของตนก็บอกว่าผ้าจีวรของกระผมชำรุดกระผมผ้าเทล่ก็ประกาศาในกลุ่มของท่านนะเออพระท่านนี้นะผ้าของเขาขาดาวันพรุ่งนี้ให้ช่วยกันมาตัดเย็บผ้าเพราะสมัยก่อนต้องลงแขกกันเพราะไม่มีจัดเย็บผ้าเหมือนทุกวันนี้การเย็บผ้าเป็นเรื่องใหญ่จีวรการการจีวรเดินทางไกลไปทางเรือบินทบาทไม่พอฉันอย่างนี้ โดยมากมันเป็นพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยเอาไว้ฉันสองครั้งได้อันนี้ก็เหมือนกันพอพระองค์นั้นท่านได้ผ้ากีวรได้ผ้ามาแล้วท่านก็เข้าไปหาพระเทเรพระเทรรก็ประกาศในหมู่สงฆ์ที่เป็นกลุ่มจากนั้นก็วันรุ่งขึ้นมาก็ตัดผ้ากีวรที่ไหนองค์ตัดก็ตัดองค์เย็บก็เย็บแบ่งกันเย็บคนละขันละขันละขันแต่พระที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ก็ เจ้าของผ้าจีวรนี่ก่ไปบอกพี่สาวบอกพี่ยมพี่ี่พระเย็บผ้าจีวรให้อัตมาเนอขอให้เลี้ยงอาหารเพน่อยเพราะว่าจีวรการฉันจังหันได้เพราะท่านเนื่อยในการเย็บผ้าขอให้พี่สาวเลี้ยงอาหารให้ด้วยพี่สาวก็ดีอกดีใจเลี้ยงอาหารพระสงฆ์ที่ตัดเย็บจีวรของน้องชายของตอนเองทีนี้ก็พอ ใกลเคียงก่อนเลี้ยงอาหารพระน้องชายก็เห็นอาหารพี่สาวออกมาเลี้ยงก็คงจะถูกปากถูกลิ้นกันมัง้งก็เลยฉันเอาอย่างเต็มที่เลยแบบนั้นเถอะจากนั้นก็พอชันเสร็จแล้วก็ผ้าจีวรก็เย็บไปเรื่อยจนถึงตอนบ่ายก็เสร็จพอเสร็จแล้วก็พระเอานั้นก็มาย้อมผ้าจีวรตั้งแต่ได้ผ้าจีวรมาผ้าจีวรผืนนี้ถูกใจที่สุด ใ, ในบรรดาผ้าจีวรทั้งหลาย ที่ได้ใช้มาผ้าจีวรลผืนนี้ถูกใจพอย้อมสีก็พอเหมาะขนาดก็ตัดใส่ตัวเองเนี่ยคิดในใจว่าวันพรุ่นี้น่ ะ, ะข้าจะได้ห่มจีวอลที่ถูกใจผืนนี้พอใ้พอตกกลางคืนมาที่นี่อาหารที่ท่านเคยฉันมือเดียวกระมังเนีทีนี้ท่านฉันสองมือ้อเลยอาหารเป็นพิษขึ้นมาตีเป็นพิษขึ้นมาในกลางคืนนั้นท่านก็ทุรนทุรายพลที่สุด ท่านก็ตายก่อนที่จะตายนั่นน่ะท่านก็เป็นห่วงกีวรของท่านเพิ่งเย็บใหม่ๆโอ้ข้าเนี่ยจะไปแล้วเหลอเนี่ยทำไมเป็นยางี้ก็เลยห่วงกีวรขณะที่ใจจะขาดห่วงผ้ากีวรพอห่วงแล้วก็ใจขาดปัดไปพอขาดไปท่นี้วิญญาณของท่านมาปฏิสนธิอยู่ในผ้ากีวร เ, เกิดเป็นตัวไหล ตัวเรนตไรขึ้นมาอยู่ในผ้ากีวร น, นั้นว่างั้นเทอท่เีเพราะการเป็นห่วงกีวรพอตอนเช้ามาท่นี่โอ้ยพระที่เย็บผ้าให้กีวรเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยมรณะภาพลงไปแล้วพอตอนสมัยก่อนพระในวัดป่าเชดตะวันเนี่ยพอองค์ไหนมรณภาพเพื่อนก็จัดการเผาทันทนีไม่ได้เก็บรอเอาไว้พระ อ, องค์นี้เหมือนกันพอตายมรณะภาพแล้วก็พอฉันจังหารเสร็จ พระสท่านกน็เตรียมตัวที่จะเผ า, เ, าเตรียมตัวเผ า, เอาพอเผ า, เ, าเข้าเมนเจตตระพัย เ, เผาเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเทละที่เป็นหัวหน้าในกลุ่มนั้นก็เรียกประชุมสงฆ์ทเนี่คือการแจกบริขารเรียกว่าการแบ่งบริขารเรียกว่าแจกมรดกของพระองค์ที่ตายเนี่ยท่านมีกฎอยู่นะท่านมีกฎมีเกณฑ์ของท่านคือมีองค์ไหนที่อยู่ในกลุ่มนั้นสมโมว่า องค์ะรนภาพในวัดแต่ละวัดนี่พระที่เป็นหัวหน้าวัดท่านก็ไปชุมสง์เจะแจกบริขานท่านก็ปกระกาศเออองค์ไหนที่เป็นคีฬาณอุปถากที่อุปถากใกล้ชิดองค์นี้องค์ไหนถ้าองคไหนเป็นผู้อุปถากใกล้ชิดท่านจะให้องค์นั้นเลือกบริขานก่อนต้องการบาตรต้องการกีบอนนะต้องการอันไหนให้เลือกก่อนจากนั้นก็พอองนั้นเลือกเสร็จแล้วกว็ พระเถระคณะสงฆ์ก็จะแบ่งกันลวะว่าเนี่ย อ, อ, องไหนชำรุดองค์นั้นขาดบาทจะไหมองคนั้นขาดสังกาติชะไหมองค์นั้นขาดประคตเอวจะไหมท่านก็จะแบ่งกันเออคือแจกแบ่งบริขารกันไม่เหมือนยุคสมัยนี้ยุคสมัยนี้ไปว่าเรื่องบริขารพระนี่เหลือเฟือเออฟุ่มเฟือยเหลือเฟือไม่เหมือนสมัยนั้นสมัยนั้นพระมากเออผ้าก็ไม่มีโรงงานเหมือนทุกวันนี้เออเพราะนั้น การที่จะเอาหาผ้านะี่ยระบะักเพราะฉะนั้นพระสงฆ์เมื่อประชมุมเมื่อเผาสีลักษณของพระท่านองค์นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เรียกประชุมสงฆ์ท่นีพ่พราะเรียกประชุมสงฆ์ก็มีบาทผ้ามีผ้ากีวรมีบริขาร8ดของพระองค์นั้นนะ่ะมาวางไว้ในในใ น, ในระหว่างสงฆ์ก็กำลังปรึกษากันท่นีน่ว่าจะเอายังไงบริขารพระ ที่ท่านตายเมื่อวานน่ะเราจะแบ่งกันยังไงท่งนี้วิญญาณพระองค์นั้นในที่ปฏิสนธินี่อยู่ในผ้าจีวรผืนนั้นน่ะท่านได้ยินท่านรู้ว่าพระทั้งหลายจะแจกแบ่งจีวรของท่านท่านไม่คิดว่าท่านตายแล้วนะให้เข้าว่าท่านไม่คิดว่าท่านตายเล่นตัวนั้นยังถือว่าตัวเองยังมีกรกรมสิทธิ์ในจีวรผืนนั้นอยู่ที่เกิดมานั่นน่ะท่านก็ บวยวายขึ้นมาวิญญาณบวยวายนะไม่ใช่ไม่ใช่ร่างคนเผาไปแล้วแต่วิญญาณน่ะวยวายขึ้นมาบอกว่าพระจะกำลังจะแย่งจะแย่งแบ่งจีวรคองเข้าไปเจ้าพระกำลังจะแบ่งแย่งจีวรของข้าไปเจ้าวิญญาณคล้ายๆกับว่าร้องบ่นอยู่อย่างนั้นพรพูดใท่เจ้าอยู่ที่พระคันธกตุตีท่านท่านได้ยินเสียงวิญญาณตัว น, นั้นอนะ่ะร้องขอ ไม่พอใจกับพระสงฆ์ที่กาลังกําลังจะแบ่งกีวรพราะพระพองค์ก็บอกให้พระอนนท์บอกว่าอนนท์ไปบอกกับพระเหล่านั้นนะพระกีวรในบริขารที่พระองค์ที่ตายเมื่อวานเนี่ยนะมรณภาพเมื่อวานเนี่ยอย่าเพิ่งแจกแบ่งกันให้เก็บไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับคําสั่งเราจะบอกอีกทีหนึ่งพระอนนท์ก็ไปบอกกับพระบอกว่าให้เก็บบริขารของพระเมื่อวานไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งแจก พระสงฆ์เหล่านั้นก็แปลกใจเพราะองค์อื่นพอมาแล้ภาพแล้วก็แจกกันแต่องค์นี้พระพุทธเจ้าทําไมไม่ให้แจกพระสงฆ์ก็เก็บเอาไว้พอเก็บเอาไว้พอได้เจ็วันพระพุทธองค์ก็บอกให้พระนนไปบอกเอือบริขารแจกกันได้แล้วนะพระสงฆ์ก็มาไปชุมกันอีกก็เลยแจกบริขารพอแจกบริสารขานเสร็จแล้วก็ยังไม่รู้ว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงสั่งให้แล้วครับแล้วก็สั่งให้แจกอย่างนี้เพราะเหตุอะไรต้องมีเหตุแน่ พระสงฆ์เหล่านั้นเมื่อแจกบริขารเสร็จแล้วก็ไปกราบพระพุทธเจ้ากราบทำไมพระพุทธองค์จึงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายละงับไม่แจกกีวรแล้วทำไมจึงไม่ให้่ให้ใหแจกกีวรในวันนี้ด้วยเหตุอันใดหนอพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกว่าพระที่ตายในวันนั้นนะ่ะเขาเป็นห่วงกีวรของเขาพอตายแล้วเขาไปเกิดเป็นตัวเรนตัวไรอยู่ในผ้าจีวรผืนนั้นนะ่ะ เขาร้องโวยวายเขาไม่พอใจถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายแจกกีวรเขาจะโกรธโกรธให้พวกท่านพวกท่านเป็นผู้มีศีลถ้าว่าเขาออกจากวิญญาณวิญญาณออกจากร่างตัวเรนนั้นแหะเขาจะไปตกนรกเพราะเข้าความโกรธของเขาเพราะนั้นเราเห็นว่าเขาจะไปสู่สวรรค์ได้อยู่เพราะว่าอเนสง์ศีลอนิสงส์นนสงการปฏิบัติของธรรมของเขามีอยู่พร้อมที่จะไปสู่สวรรค์ได้ เพราะนั้นเราตถาคตจึงไม่ให้พวกท่านทั้งหลายแจกกีวรแต่บัดนี้เขาตายไปแล้วเขาไปสู่สวรรค์แล้วเพราะนั้นเราจึงให้แจกกีวรนี่แหละพราะพระพุทธเจ้ามีญาณทัศนะท่านรู้ได้ว่าเป็นยังไงตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูนท่านรู้ว่าวิญญาณออกจากนี้แล้วไปที่ไหนเพราะะนั้นสรุปแล้วก็คือว่าตายแล้วไม่สูน ตายแล้วเกิดอีกเพราะนั้นพวกเราท่านทางหลายที่เป็นชาวพุทธในอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญไม่ต้องไปเชื่อใครให้พิสูจน์ด้วยตนเองก็ได้หลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพาพิสูจน์มาแล้วครูบาอาจารย์ท่านพาพิสูจน์มาแล้วอย่างหลวงปู่สมชายของเราก็เถอะนะถ้าว่าท่านยังมีชีวิตถ้าว่าพวกเราถามท่านหลวงปู่ครับตายแล้วสูญไหม หลวงปู่จะยืนยันแน่นอนเลยหลวงพ่อตอบแทนท่านใดเลยว่าหลวงปู่จะต้องตอบว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนออไม่ต้องสงสัยเพราะครูบาอาจารย์ระดับนี้ลูกศิษย์หลวงปู่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆที่ท่านได้ปฏิบัติอยู่ในโด ป, ปาดวงพงภัยท่านปฏิบัติมามากเรื่องจิตภาวนาท่านรู้ได้เห็นได้ตายแล้วไม่สูญ สิ่งศูนน่นก็คือร่างกายตายแตกตายแน่นอนแต่วิญญาณ น, นั้นไม่ศูนย์วิญญาณ น, นั้นคืออะไรวิญญาณ น, นั้นถ้าว่าพวกเรานั่งสมาธิภาวนา น, น่ยพวกเราจะรู้ได้ระร่างกายเนี่ยเหมือนกับภาชนะคือจานถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆนะคือจานแล้วในจานนั้นมีไข่หรือมีมะม่วงหรือมีสิ่งหนึ่งอยู่ในจานนั้น จานกับมะม่วงไม่ใช่อันเดียวกันมะม่วงคือมะม่วงจานคือจานใจก็คือใจวิญญาณก็คือวิญญาณวิญญาณก็คือตัวผู้รู้อาศัยกายอยู่ท่านจะว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าจะว่าไปเหมือนกับรถรถกับคนขับรถอย่างนั้นนะ่ะคนขับรถไม่ใช่รถรถไม่ใช่คนขับรถแต่ร่างกายรถแตกสลายแต่คนขับรถหนีไปที่อื่น หนีไปซื้อคันอื่นหนีไปหาที่อื่นหนีไปอยู่ที่อื่นเพราะร่างกายมันใช้ไม่ได้แล้วรถมันเสียแล้วมันผุพังหมดแล้วต้องหนีไปที่อื่นนั่นแหละลักษณะอย่างนั้นน่ะกายกับใจเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าประมาทนะชีวิตของพวกเราเนี่ยตายแล้วไม่สูญกายตายแล้วเกิ ด, ดอีกหลวงพ่อเองพูดไปที่ไหนหลวงพ่อก็พูดให้คณะจัต ย, ยานญาติโยม รับรู้รับทราบเพราะว่าทุกวันนี้คนโดยมากแต่คนตายไปแล้วทำไมไม่ไม่มาเกิดทําไมไม่มาบอกตายเราหายเงียบไปแต่ตามไม่จริงเขามาบอกอยู่แต่เราไม่รู้เหมือนกับเครื่อวิทยุเนี่ยนะวิทยุ fm am เต็มไปหมดแต่ถ้าพวกเรามีเครื่องโจรดีนะมีเครื่องดีเราก็สามารถที่จะฟังคลื่นต่างๆสถานีต่างๆได้ ได้ไกลแต่ถ้าว่าคนไหนไม่มีขึ้นอย่างพวกเรานั่งไม่มีวิทยุนะเขาจะเปิดยังไงพวกเราก็ไม่ได้ยินเพราะเหตุไรเพราะพวกเราไม่มีเครื่องรับอันนี้กงเหมือนกันนะั่นน่ะแต่ว่าเครื่องรับนั้นก็ต้องมีคุณภาพต่างกันอีกนะมีประสิทธิภาพต่างกันอย่างพระหรหัสถึงท่านจะเป็นพระหรหัสก็เถอะแต่บางพระหรหัสบางจำพวกท่านจะไม่รู้นะ ท่านจะไม่รู้ท่านไม่มียาณทัศนะอย่างพระหันสุขะวิปัสสโกอย่างเนี่ยท่านจะรู้ได้แต่เฉพาะตัวของท่านเองว่าท่านหมดกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะจบเพียงเท่านั้นแต่เตวิชโชสละพิญโยปฏิสัมพิทัปปโตพระหันสามจำพวกท่านจะรู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรวิญญาณเป็นยังไงตายเกิดตายสูนบุพกรรมของแต่ละคนเป็นยังไงท่านเหล่านั้นจะรู้ได้แต่รู้ได้ก็ ยังไม่เหมือนกันอีกบุญบา ร, รมีของท่านแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันเพราะพุทธเจ้าท่านรู้ได้ทั้งโคดทั้งแช่ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างรู้ได้หมดกว้างไกลยาวไกลละเอียดเพราะเครื่องมือของท่านละเอียดแต่บางคนก็มองได้ไม่ไกลมองได้ใกล้เพราะนั้นถึงเป็นพระอรหันท่านก็ยังไม่เหมือนกันอีกเพราะบุญบา ร, รมีการสั่งสมมาต่างกันเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือให้พวกเราท่านทางหลาย อย่าประมาทว่าชีวิตของเราเนี่ยตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกพวกเราอยากจะรู้จักว่าตายแล้วไม่สูญนะ่คือวิธีการพิสูจนด้วยตนเองก็คือนั่งสมาธิอย่างที่หลวงปู่ครูบายอาจารย์ท่านพานั่งกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกทำใจให้นิ่งไม่ให้คิดไปในอดีตไม่ให้คิดไปในอนาคตให้จิตอยู่ในปัจจุบันเมื่อจิตเข้าสู่ปัจจุบันจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วนะจิตลงถึงอัปปนาสมาธิแล้ว เราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายนี่คืออันหนึ่งใจนั้นเป็นอันหนึ่งแต่อาศัยกันอยู่ด้วยเห็นโดยชัดเจนร่างกายนี่แตกแน่แต่ใจตรงนี้ไม่แตกจะต้องไปปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆแต่ถ้าว่าพวกเราสั่งสมบุญบุญกุศลก็จะพาจิตใจของเราไปสู่สุขติไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมแต่ถ้าว่าพวกเราทํากรรมชั่วทํากรรมที่ไม่ดีเอาไว้พวกเราก็จะไปตก ไปทางต่ําไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไร้ฉันไปเป็นเปรตไปตกนรกนะเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะอย่าประมาทนะชีวิตเป็นของอไม่เที่ยงแท้แน่นอนอวีซ่ามาถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะจะต้องเดินทางแต่เดินทางไปแล้วทางวาพวกเราไม่มีบุญไม่มีกุศลพวกเราก็จะต้องทุกตํำลําบากอย่างั้นเถอะ เ, อเหมือนกับคนส่งไปต่างประเทศแล้วมีมีเงินอย่างนั้นแหละคนไม่มีบุญก็คือ เหมือนกับคนไม่มีเงินคนไม่มีเงินก็เหมือนกับคนไม่มีบุญเหมือนกับวิญญาณไม่มีบุญอย่างนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นพวกเราให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจสําหรับในหลักของพุทธศาสนาครูบาอาจารย์ท่านเน้นหนักเรื่องศีลเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาสําหรับญาติโยมนะการให้ทานก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญถ้าว่าพวกเราเกิดมาพบหน้าชาติหน้า พวกเราไม่ได้ทําบุญทําทานเอาไว้บุญกุศลอั น, นิสงทานก็ไม่มีเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็ยากจนเพราะอั น, นิสงทานไม่มีอั น, นิสงสินไม่มีเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็จะลําบากถ้าว่าคนใครก็ตามชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอาจินเกิดมาพบหน้าชาติหน้าชีวิตจะสั้นชีวิตจะไม่ยืนยาวถ้าว่าใครชอบรังแกสัตว์ทุบตีสัตว์เบียดเบียนสัตว์ เกิดมาพบหน้าชาตินาจะเป็นผู้มีร่างกายทุกพลภาพเก็บไข้ได้ป่วยบ่อยเพราะเหตุว่าเคยลังแกเบียดเบียนสัตว์แต่ไม่ถึงกับฆ่าสัตว์แต่ถ้าคนใครชอบฆ่าสัตว์คนนั้นเกิดมาแล้วก็ตายในครันก็มีตายออกมาตายก็มีตายแต่เล็กตายแต่น้อยเพราะอา น, นิสงส์บาป ก, กรรมที่ได้ทําไว้อดีตคือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ถ้าอา น, นิถ้าวันลังแกสัตว์ไม่ถึงกับฆ่าสัตว์ แต่ร่างแกเบียดเบียนจัดคนนั้นจะมีร่างกายทุกพลภาพเจ็บไข้ได้ป่วยเดยกก็ปวดเดยวก็ป่ว ย, ย, วว ย, ยจะหาเวลาออกจากโรงพยาบาลระยากว่างั้นแหละอ ย, อย่างผูนั้นพวกเราให้ส้ำรวมไว้เรื่องศีลข้อที่สองข้อที่สา อ, อธินาทานถ้าว่าเราเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเราเอาวางของวิทีไหนมีจะ่คนคตคนโกงคนชอบเบียดชอบบางเ อ, เอาของของเราไป เพราะอั น, นิสงสินข้อที่2ของเราไม่ดีอั น, นินเ ส, ส้นสิของข้อที่สามถ้าเรามีสามีพันยาก็ไม่อยู่ในโอวาทมีลูกมีเต้าไปว่าอยากซ้อนอยากเพราะอั น, นิสงสินของเราข้อที่สไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์อันในสินสงศินข้อที่4เกิดมาพบหน้าชาตดหน้าไปพูดกาพาทีให้แก่ใครฟังเขาก็ไม่สนใจเขาไม่ฟังเพราะว่าอ น, นิสงสินของเราเคยโกหกมไม่รักษาศินข้อที่สี่ ข้อที่หเกิดมาพบนายชาตินายเป็นคนขาดสติความจําหลงห ล, ง ล, ง ล, งลมลุงลืมลืมเลือนเลือนลงๆหาความจริงใจไม่ได้เหมือนกับคนจะเรียนหนังสือก็ไม่เรียนไม่ได้อย่างพวกเราเห็นมนุษย์ทั้งหลายเกิดมาแล้วไม่เหมือนกันอย่างนั้นแหะปัญญาอ่อนสรุปแล้วเพราะฉะนั้นอานิสงส์สินข้อที่5นี่ไปลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้น ถ้าว่าเรารักษาดินศีลดีแล้วเกิดมาพบหน้าชาดหน้าก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข เ, เกิดมาชาดหน้าเขาํารวยสุขภาพก็แข็งแรงไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นพวกเราต้องการอย่างนั้นก็ควรจะรักษาศีลให้ทานรักษาศีลภาวนาภาวนานี่ดูจิต ด, ดูใจของตนเองภาวนาให้ดูใจของตัวเองเออร่างกายของตนเองใจของตนเองเออให้รู้จัก ทำใจให้ปล่อยให้วางคนที่รักษาคนที่ภาวนามมรณะความตายอยู่เสมอนั่น่ะจะเป็นผู้ไม่ลืมตัวจะเป็นผู้ไม่หลงลืมตัวจะเป็นผู้ปล่อยวางคาว่าปล่อยวางคำนี้นี่พวกเราได้ยินพวก เ, เอา้าข้าพเจ้ามีครอบมีครัวมีกิจการบ้านที่พักพาอาศัยจะต้องรับผิดชอบ จะปล่อยวางได้อย่างไรอันนี้ก็คือคำถามในจิตในใจของพวกเราชาวพุทธแต่ตามไม่จริงการปล่อยวางนั้นไม่ใช่ปล่อยวางที่อื่นปล่อยวางอยู่ที่ใจแต่ส่วนภายนอกนั้นเราจะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างท่านเจ้าคุณที่เป็นเจ้าอาวาสลองจากองค์หลวงปู่ของเราเนี่ยท่านก็ทำหน้าที่ทุกอย่างไม่ให้ขาดตกบกพร่อง ทำให้ดีที่สุดเ อ, อใครมาเกี่ยวข้องครูบาอาจารย์มาพระเนรมาญาติโยมมาสิ่งไหนที่มันไม่ดีท่านก็พยายามทําให้ดีที่สุดไม่ให้ขาดตกบกพร่องแต่ส่วนในจิตใจนั้นเวลาท่านนั่งภาวนาท่านก็นจะบอกบอกตัวเองว่าเออถึงเราจะทำดีขนาดไหนก็เถอะนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เท่าที่เราทําไปนะั่นน่ะเอาไปด้วยไม่ได้เอาไปด้วยไม่ได้ เ, ไดไไดเราจะต้องตายเราจะต้อง ทิ้งไว้ในโลกอ่ะนี้ขนาดกระดูกตัวเองก็ยังเอาไปด้วยไม่ได้ เ, เราจะต้องทิ้งเพราะฉนั้นเราอย่าไปยึดไปถืออะไรมากมายนักหนานะอ่อันนี้คือปล่อยในใจปล่อยวางในใจไม่ใช่ปล่อยวางข้างนอกแต่ส่วนข้างนอกนั้นต้องทําให้ดีที่สุดเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ทําหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุดเมื่อเราทําเมื่อเราเป็นลกูกเราก็ทําหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดในเมื่อเราเป็นหัวหน้าเราก็ทําทํา หน้าที่หัวหน้าให้ดีที่สุดเราทําสิ่งไหนเกิดอยู่ในสถานีณไหนเราพยายามทําให้ดีที่สุดในฐานะนั้นๆอันนี้แต่ถึงยังไงทําดีขนาดไหนก็ตามแต่เราก็ต้องมาวางในใจของเราเราต้องคิดไว้สุเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําไปนั้นถึงจะดีขนาดไหนก็เถอะเราเออกไปด้วยไม่ได้ออกไปด้วยได้แต่บุญกุศลที่เราสั่งสมไว้เท่านั้นแหละแต่เสียงภายนอก เราเอาไปด้วยไม่ได้เราจะต้องวางทิ้งไว้ในโลกนี้แน่นอนคนอื่นๆที่เขาทาดีเขาส้่งฐานะเขาร่ารวยขึ้นมาเขาก็ตั้งทิ้งเหมือนกันไม่มีใครที่จะเอาไปด้วยได้นอกจากบุญกุศลอันนี้แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายให้พยายามปล่อยวางที่ใจและการภาวนานี่จะมีประโยชน์ต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าเราไม่ตั้งใจภาวนาเขาบอกภาวนาไม่จาเป็น เพ่าสิ่งข้าพเจ้าก็ไม่ได้เบียดเบียนใครอื่นข้าพเจ้าไม่ได้ทําความชั่วใครอื่นข้าพเจ้าอยู่อย่างนี้แหละก็น่าจะเพียงพอแต่อาาไม่ยิงไม่เพียงพอน ะ, อ, ะอย่าไปคิดว่ามันเพียงพอมันไม่เพียงพออีกสักวันหนึ่งความทุกข์เข้ามาหาตนเองคนเราเนี่จะต้องมีสิ่งเข้ามากระทบแน่นอนไม่ต้องสงสัยไม่วันใดก็วันหนึ่งอย่างน้อยกับพ่อแม่ปูย่ย่าตายายสามีพรนยาตลอดถึงโอนตัวเอง น, นั่นแหะ จะเจ็บไข้ได้ป่วยและตัวเองจะคิดยังไงในเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นนี่แหละพวกเราให้เตรียมตัวไว้ให้ภาวนาเอาไว้ถ้าภาวนากําหนดลมหาย ใ, ใจเข้าพุทหาย ใ, ใจออกตัวทําใจให้สงบทําใจให้นิ่งทําใจให้สบายสรุปแล้วก็คือทําให้ใจมีหลักยึดยึดบุญกุศลยึดความคุณงามความดีถ้าว่าเราไม่ได้เคยภาวนาเราปล่อยปะละวางเราเฉยไม่ได้คิดอะไร อีกสักวันหนึ่งถ้าว่าเราไปศพในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยตัวเองจะทุกข์มากนะถ้าาว่าตัวเองได้ภาวนาแล้วได้ทำจิตแล้วจิตใจมีหลักแล้วมีใจมีจักหลักยึดแล้วเวลามีอะไรขึ้นมาเราก็วิ่งเข้ามาหากรมฐานที่เราเคยภาวนาไว้ก่อนมันเป็นเกาะเป็นเครื่องกาบัง มันจะรู้มันจะวิ่งเมื่อมันมีทุกข์มันก็จะวิ่งเข้ามาหาใจของตัวเองมากำหนดใจของตัวเองมาหาหลักยึดของตัวเองนี่แหละว่าใจมีหลักแต่ถ้าหาว่าเราไม่ได้เตรียมตัวไว้เมื่อเท่าแก่ชลามาจะเห็นผลนะเห็นผลยังไงคนไม่มีหลักเมื่อเท่าแกชฉลามาแล้วช่วยตัวเองก็ไม่ได้ลูกร้านเขาไปทาการทางานทามาหาเลี้ยงชีพตัวเองก็คิด ว่าลกูกหลานไม่มาอยู่ใกล้ผลในสุดก็เลยว้าวอ้างว้างเงียบเหงาในกิตในใจผลในสุดรอกซึมเศร้าก็จะมาเยือนคนแก่อย่างนั้นเพราะไม่ได้เตรียมการเอาไว้ไม่ได้คิดเอาไว้ล่วงหน้าว่าตัวเองจะต้องแก่แต่ถ้าว่าคนที่ได้คิดเอาไว้ภาวนาเอาไว้คิดถึงความตายเอาไว้ ลูกหลานเขาจะไปที่ไหนก็นไปเพราต่างคนต่างมาต่างคนต่างมาเกิดต่างคน ต, งต่างตายไปเราจะไปให้เขามาเฝ้าเราตลอดได้เหรอเหมือนกับครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาต่างๆที่พวกเราได้เห็นอายุพรรษาอายุถึง8ป9 0ปีท่านจะอยู่ตามลาพังท่านจะภาวนาของท่านท่านไม่เห็นมาใครมาเกี่ยวข้องท่านในขณะที่ท่านอยู่ตามลาพังเพราะเหตุไรเพราะท่านเขามายึด เข้ามาอยู่ในจิตใจของท่านท่านพยายามทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งท่านจิตให้มีหลักยึดเพราะนั้นพวกเราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอุบาสิกาทั้งหลายควรจะยึดแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพาประพฤติปฏิบัติมาพวกเราก็จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขพอหลักใจใจมีหลักใจมีหลักยึด ยึดคุณงามความดียึดพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ยึดแนวแถวที่พ่อแม่ครูอาจารย์พาประพฤติธปฏิบัติมาพวกเราก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขนะวันนี้หลวงพ่อได้อธิบายแนวแถวภาคปฏิบัติสรุปแล้วหลวงพ่อเน้นเรื่องความตายมรณาางเมภาวิจติทุกคน จะต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนแต่ว่าเมื่อจากโลกนี้ไปพวกเราจะไม่สูญตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะนั้นพวกเราอย่าประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้เมื่อเราตายไปแล้วถ้ามันไม่สูญละ่ะเราก็จะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขในอนาคตถ้าเราไม่ได้คิดเตรียมการเอาไว้ เราคิดแต่ว่าตายและศูนย์ทำมันศูย์จริงๆมันก็ไม่เสียหายอะไรถ้าเผื่อมันไม่ศูนย์่ะพวกเราจะต้องในทุกลำบากในอนาคตเพราะพวกเราจะต้องเดินทางอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังก็การแสดงธรรมและการพูดของหลวงพ่อในวันนี้ก็เห็นว่าพอเหมาะสมควรขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้